เาสนาเรื่องฝังรากฐานพุทธศาสนาให้ฟังลากฐานในพุทธศาสน า, า, า, นน า, สนายัางไม่มั่นคงเพียงพอเพราะเหตุที่ความเชื่อมีแต่ว่าเชื่อใอนรจริงไม่จังเชื่อว่า การทำกรรมได้ดีทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วทำกรรมอะไรต้องได้ด้วตนเองคนอื่นทำให้ไม่ได้จะให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้ถือหลักอันนี้เป็นหลักจึงจะมั่นคงไม่ศาสนาคนเกิดมาทุก คนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายไมชืช่ว่ามีกรรมทุกคนถา้ามีกรรมไม่เกิดมาเรียกว่ามีบาปมิบาปขัน้นคือผลกรรมนั่นเองถ้าหาเชื่อกรรมอย่างนี้แล้วชิ้นห้าชิ้นแปด ศีลสิทธิ์ถือไหมแต่ศีลสองร้อยี่เจ็ดก็รักษาได้ง่ายถ้าเชื่อก ร, รมเชื่อของกรรมแล้วรักษาได้ง่ายนิดเดียวที่ไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเพราะเหตุที่ทำลงไปแล้วทํากรรมอะไรลงไปแล้วนั้นมีคนเชื่อบางไม่เชื่อบางไม่มัน่นคงท้าวอน จึงให้ไม่หนักแ น, น่นตั้งมัน่นถ้าเรรมื่กำรกมในที่นี้นั้นทั้งดีและทั้งชั่วและไม่ดีไม่ชั่วนั่นเรียกว่ากรรมคนเราเกิดไปมาจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ไม่ทำด้วยกายก็ทำด้วยวาจา ไม่ทำโดยวาจาคนนึกคิดโดยใจเรียกวา่าไายกรรมวาจีกรร ม, มโนกรรมใครจะอยู่เฉ ย, ยไม่ได้เมื่ อ, อยังมีลมหายใจอยู่ปราบได้ก็ต้องทำกรรมู่ตราบนั้นผู้ที่ท่านพ้นจากกรรม คือท่านผู้พ้นจากทุกข์ท่านถึงที่สุดขอ ง, ของทุกข์แล้วท่านพ้นจากกรรมแม้ถึงขนาดนั่งก็ตามร่างกายยังมีอยู่ก็จําเป็นจะต้องสเสวยทำ น, น้ำหนําไปอย่างร่างกายนี้อยู่จะต้องบริหารไปจนกว่าจะสิ้นชีวิต ด้วยกายด้ว ย, ายวาจาด้วยใจแต่การบริหารกายนั้นท่านไม่เรียกวกรฐ์ท่านเรียกว่าิริยาทักเตอร์วิริยาหน้าประสาใดใดพวกเราถ้าอาะอกษาวระโมกคันลา เวลาท่านจะนิพพานมีพวกโจรมาคอยประหาดประหารท่านอยู่ทั้งสี่เดือนเวลามาพองไล่ท่านมาล้อมกุฏิท่านอยู่าา ท, ท, ยท่านพิจารณาเอ๊พวกนี้จะมาทำลายครบเพราะหนีอยู่อย่างนั้นทั้งสี่เดือนท่านยังจะพิจารณาเห็นว่า กรรมของท่านเด็กก่อนคนทำกรรมอมได้หรือกรรมข่าพ่อขอ่าแม่จะเล่าเรื่องนิทานให้ฟังสังหน่อยกรรมทงท่านในสมัยหนึ่งพ่อแม่ของท่านเป็งคนตาบอดทั้งสองทั้งสองตาใหญ่ พุทธาเลี้ยงวิดามารดาอยู่กระทั่งเติบโตจนแก่จนแก่มาเรียกว่าเป็นชายแก่ชายหนุ่มมาแล้วมันกลายหนุ่มมากลายแก่มันเลยกลายเป็นชายแก่ไปซะแล้วแม่บอกว่าเลี้ยงคนเดียวแยู่ที่ลาบาก ไปหาภัรยามาให้พราะว่าอยาเธอแม่เอย้ยเลี้ยงคนเดียวก็พอแล้วไปเอาสัญญามาเดี๋ยวเป็นยุ่งยากอีกนํำบากอีกแล้วไปสองผลสามผลแม่อ้อนวอนอีกผลที่สามมีไปเอายิงคุณธิดาคนหนึ่งมาให้ พอก็เลยพูตาลับหูลับตาเอานั่นอะ่ะพมาที่แรกก็ดีเลี้ยงปู่ย่าตายายดีมากนานนะเข้ากับคนตาบอดมันจะผลถึงไหนลำขาดหาอุบายสามีเกลียดพ่อเกลียดแม่ทั้งตน พูดจา ะ, ะไรนะสั้นหาเรื่องหาราจะหลายเรื่องบอกว่าเธออของฉันแม่ของฉันไม่เป็นไรหรอแกอยู่ได้ก็อยู่ๆไม่ได้ก็ไปเชียเนี้ยก็งับไปมาที่หลังก็พูดอีกหลายข้างหลายหนทันใดยากแกล้งขับ แม่ของแกนแม่ของแกพ่อของแกนะ่น้ำบากทุกจิ๊ก็เลยเกินทำอาหารการกินให้เดี๋ยวไม่ถูกฝากถูกพอถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิฉันจะทำให้ดูเวลาทำอาหารมาให้สา ม, มีกินมันก็นไม่ได้ใส่เกลือสิเวลาบิดามันดาใส่เกลือเค็มจ้ะ มันก็ทนไม่ได้กระโจนเลยท่ให้เค็นเข็ม ท, ที่สุดเผ็ดที่สุดนั่นเนี่ยดูสิแม่แก่นี้เสื้อกเกิดแม่ยาเธอพ่อแม่ของฉันคนได้ก็อยู่คนไม่ได้ก็ไปทีหลังเอาอีกเวลาพ่อเวลาไปสามีไปทำการทำงานนอกบ้าน เรามาทำอุจจาระเพืเ้อนมดทั้งบ้านแลวหมดเลยอะไรทำอุจจาระเนะี่ยเอาพักทองนี่ยมาขย า, เ, ขาเลยข้าวอะไก็ต้มข้าเวนะเร็วๆกันมันเห็นนะเป็ น, หนเหลืองๆนะนั่นอุจาระของพ่อของแม่ถึงจะทายังไงกันท น, น, นไม่ไหวจริๆนานน่าจลงเชื่อ จะทำยังไงดีพ่อแม่ของเราเราเลยเอาบอกว่าเะไปไว้โอ้เราภางดงถนนละ่ะมีบ้านพี่น้องที่ น, นั่นอีกคนไปเสือใสเกวียนไปขับไปตามถนนตามทางนั้นนะ่ะทางเกียนนะั้นบอกว่าระวังนะที่นี่มีโจดนะ ต้องระวางหน่อยไปถึงกลางดงที่เปรี่ยวบอกว่าอยู่นี่สักหน่อยครับหยุดเปลี่ยนอะไรๆก็เลยเข้าไป่าแก้งทำเป็นโจรมาร้องโวยวายมาจะข่าจะแฉงงั้นอย่างนี้คนไม้จากไหนงนั้นนี้พ่อแม่ได้ยินร้องโวยวายมาด้วยพร้อมสงสารลูก พ่อแก่แล้วแม่แก่แล้วฟ้าบอดเอท็จช้ำตายไปยอมขอให้ลูกขอให้พ้นเสียมาจะไปมาทบุบมาตีจนตายแม่กรรมของท่านจะถามไว้แต่ก่อนเหตุท่านเนเมื่อโจรมาล้อมเน่ท่านไม่ได้พิจเรณาทีแรกตั้งสี่เดือนร่วมกัน รู้เรื่องตามมาได้จริงไปยอมสละให้โจรทุกตีจนกระทั่งกระดูกแหลกแหลวมัวมคนที่สุดกอเขาเอาไปทิ้งไ ว, ไ ว, ไ ว, ไว้บมไม้เวลาโจรหนีแล้วทั้งก่ออธิษฐานให้กระดูกติดกันขเขาไปกราบถูนพาพระเจ้าลาขาส่วนวัผ่านอ น, นี้ ในฐานเรื่องกรรมของท่านเรานั้นจะรู้กรรมนั้นของเราได้อย่างไรบางทีกรรมดีทำไวมากก็สามารถจะให้ผลก่อนกรรมชั่วมากสามารถได้ผลก่อนต่นนี้เราจะเว้กรรมมันมีที่สิ่นที่สุดสักที ถาหากว่ากรรมนั้นยังติดตามอยู่เราไม่พ้นจากทุกเสมอใดเืิด ไ, ไม่ถึงพระอรหันตอรหันต์เมื่อใดกรรมนี้ต้องตามเวียนว่ายแต่เกิดอย่างนั้นเนี่ยตั้งหลายพกหลายชาติโบราณท่านบอกว่าทำกรรมแต่ละครั้งละทีแต่ละเรื่องแต่ละอย่างตั้งหาลอยชาติจะถือไว้กรรมนั้นอยู่ อันเราทำเนียไม่ตาดเลยกี่อยางกี่เรื่องมาแล้วมันมากมายเหลือเกินทากรรมดีแล้วจะล้างกรรมชั่วไม่ได้คนเราเข้าใจแค่ส่วนมากทํากรรมแล้วอยากได้ล้างทากรรมดีแล้วล้างกรรมชั่วทําบุญทําทานการกุศลนนอะไรตา่าง พ า, าอส่งถึงเจ้ากรรมนายเวรพ่อส่งอุทิตใถึงเจ้ากรรมนายเวรพ่อรับส่วนกุนิดของเหล่านี้มันไม่รับหรอกเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งไอจะมารับเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ไม่ใช่ยอยู่อื่นไกลอยู่ที่ตัวของเรานะหัวใจของเรานะี่เราเป็นคนประทุษร้ายเราไปคิดประทุษร้ายเขา จึงค่อยทำความชั่วมันติดอยู่ที่ตัวของเราเนี่ะที่มันไม่ใช่อยู่ที่อื่นจิตใจการทำความดีร่างคมชั่วมันเป็นทิศเตียนแตแล้วนนศาสนาทิศเตียนคนจึงค่อยนิยมนับถือมากก็สบายเลยให้ไปให้เยสูนับออกไปมด กรรมที่เราทำนะทำไม่ได้เท่าไรต้องตามถือเราไม่มีผาระพระเยซูเป็นคนรับช่วงมดคนทั้งโลกกรรมมันนะแต่วพระเจ้าเจ้าทนไม่เชร็จไม่เส่นนั้นเราทํำเราต้องได้คือใจของเราเป็นคนคิดคิดประทุษาร้ายไม่ใจคนอื่นรับให้คนอื่นจะไรับให้ก็ไม่ได้ นี่แหละเข้าใจกรรมอย่างนี้แล้วเมื่อเข้าใจว่าตนทำกรรมและตนต้องได้รับผลบกรรมแน่อนอนเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วรักษาสินน่ครับไม่ยากชิ้นหาเไม่ยากชิ้นแก็ไม่ยากหล้วชินสองร้อยี่สเจ็ดินสิบสอง้ยี่สิบเจ็ดก็ไม่ยาก เพื่อเห็นกรรมด้วยด้วยใจของตงนจริงๆมันเกิดจากใจของตงนจริงๆใครๆก็ต้องกลัวกรรมวนชั่วนะละได้วัตถุไอ้เรื่องที่จะให้เกิดกรรมเมื่อคืนเกิดจากฉิบหานี่เองฉินหาไม่ใช่เป็นตนเป็นตัว สินผ้าเนะีคือวิรัติจมดเว้นจากรวมชั่วไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวอยู่เหมือนสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงไว้เช่นสุนัขอย่างนี้เป็นตนหรือทุกกรณ์เป็นงวงไฟอย่างนี้เป็นตนให้ไปเลี้ยงอย่างนั้นไม่ได้สินไม่ใช่ของเป็นเลี้ยงอย่างนั้น สิ่นคืองดเว้นตัวใจตัวเดียวท้งงดเว้นก็บอกกัแล้ววิรัติงดเว้นเวรมนีเรียก ว, ว่างดเว้นจากความชั่วนั้นๆในหาข่อนั้นไม่ใช่เป็นของเลี้ยงและของเลี้ยงของขายนอกมันนั้นเนีย อันนั้นแทนกันได้เราตัวนี้ไม่ดีเราก็อื่นเราเปลี่ยนอันนั้นเอาเลี้ยงนั้นเปลี่ยนกันได้อันใจนี่จะเปลี่ยนอย่างไรตายแล้วไปสู่ทุกขติทุกขติแล้วสิเมื่อจิตคิดประทุษร้ายอยู่ตราบใดเมื่อมีสร้างมิหาย ในขณะที่ตายไปความชั่วนั้นติดตามไปการที่จะไปเกิดมันต้องเกิดตามนิมิตท่านเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตโดยที่ในตั้งใจจะให้มันเกิดนิมิตแต่มันเกิดเองนิมิตนน้นเวลามันจะตาย กรรมในมิตเช่นเราฆ่าคนอื่นคิดสาเดียรเยียงคนอื่นเราเห็นในขณะที่จะตายเวลาที่มันจะเปลี่ยนสภาพนนั้เห็นเขามาฆ่าเราเรือเห็นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดอย่างในทารุณอย่างที่เราฆ่าเขาเนี่ย น, นะ เป็นเหตุให้หวาดเกลัวจกนกระทั่งดินนล้นเดือดร้อนอุ่นวายมันนั้นเรียกว่ากรรมมิตรนั่นเกิดเองค ด, ดีในมิตรอันนี้นเรียกวกรรมนนมิตในทางชั่วกรรมนนมิตในทางดีสาธุว่าเราสร้างบุญผู้สนจึงได้ไว้ กุศลนั่นที่ทำมนันมิตรของน้อยนิดเดียวเวลาการมนิมิตปรากฏเป็นของโอฬารเป็นของหน้าเพื่อผนยินดีพิจิมเอิดพอใจในนิมิตนั้นมนนนนันก็ไปเกิดในนิมิตนั่นมันก็เกิดในทุกติจิตกรมนิมิตในทางที่ดีในในกรรมนิมิต นทางที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นคติในมิตรนี่ที่จะไปเกิดเราเห็นไนอะ้คติ่ิงคติในมิตรอันานั้นความชั่วที่เราทำไว้มันปลากฏวดเกิดทุรนทุรายเดือดร้อนหัวาวเป็นต้นว่วตกนรก เป็นเห็นไฟนรกเป็นตนวัวหน่วยเห็นพุทรมานและกรรมกันอยู่ในการที่คนทําชั่วไปเกิดในที่นั้นได้นทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น น, นั้นนะเนี่ยคตินินมิตในทางุกู้คตินิมิตในทางดีเห็นปราสาทราชมงคลเทียนหรือเห็นบ้านเรือน โอ้โหองผ์ถงสวยสดงดงามเป็นที่อยู่เจริญใจานั่นแหละกรรมใ น, นมิตรในทางที่ดี ใ, ในในกรรมในมิตในทาอะไรตติในมิตรในทางที่ดีคตติแปลว่าที่เกิดที่จะไปเกิดที่ไปอะไรเรียกว่าคติกรรมในมิตอคตติในมิตรนี้ไม่ใช่แต่งเอา มันหากบันดนบรรดาลปรากฏขึ้นมาอีกอย่างเขาพูดขน อ, อย่างเขาพูดภาษาซื้นๆอย่างห ย, ยาบๆเขาพูดกันว่นานร ก, กจะยัาไปเกิดสิเวลาจะใช้นรกก็เห็นแล้วของชั่วยจะเกิดสิจะเกิดการที่ดีมันไม่ใหญ่มันของเป็นเองทําได้อย่างนั้นกระแต่งเราทุกคนเราก็ไม่เกิดเลยทุ อย่างมื่อเกิดเป็นมนุษย์นี่มนุษย์นี่อย่างเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นี่เขาไม่พอใจอในการมาเกิกเกธธดเป็นมนุษย์เขาไปเกิดไม่ใช่บุตรเทวดาแตเป็นใดนั่เชื่อถือกิงเข้าไปกว่านี้แต่นี่มันมาเกิดเป็นมนุษย์ยังเลี้ยวเข้ก็่านั้นเกิดเป็นสัตว์ประหลาดเป็ดอสุรกายซะอีกยิ่งเลี้วเข้าไปกว่านั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันหากไปเกิดเอง นี่แหละกรรมา้าเชื่อกรรมชิ้นห้าประการอย่างฆ่าสัตว์เราเจตนาที่จะฆ่าโดยคิดที่จะฆ่าหรือคิดประทุษร้ายหรือความโทสะมานะชิดขี จิตเป็นอกุศลจิตอันเป็นอกุศลอย่างยิ่งแล้วเมื่อเราได้รับกรรมรับโทษทนทุกข์กทรมารอย่างว่าฆ่าสัตว์ตายก็จะเกิดเป็นจะเกิดในโลกอเวจี ท่านมาพ้นจากนั้นมาจะมาค่อยผ่อนมากรรมมานั้นค่อยผ่อนมามาเป็นมนุษย์มาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่คนอิสฉาไฟาบากเบียดเบียนเฮ้การทํามาให้กินอะไรก็ไม่พอปากพอท้องทุกแล้วปากกากกรรมอันนี้ผ่อนมาป่อนมาโดยลำดับทันเมื่อเราเห็นโทษทุกข์แล้วเราจะให้ความชั่วนั้น กรรมพนันให้หายไปด้วยการทำดีมันจะได้อย่างไรมันติดอยู่ในใจของเราอย่างฆ่าตัดเขาเคยต้องทำโทระธรกรรมอย่างว่ามาแล้วท่านคราวนี้รักครับไปตกนรกคนจากนารกมาเป็นเศษเป็นนรฬกาจนกระทั่ง พ้นมาโดยลําดับผ่อนมาตามนั้นผ่อนมาผ่อนใจะะเป็นเหตุใน้เขารักเขาขโมยก็ชอเขาคงเขาเราด้วยประการต่างๆถ้าเราไมา่ถูกเขาแล้วคราวนี้จะไม่ให้เขาช่อเขาคงไงขอให้เขาผ่อนเสียอย่าให้ช่อให้คงเราเลยเนีย่ยรักขโมยเรเลยมันผ่อนไม่ได้ พ่ามชั่วมันจิตตัวของเรามาแล้วมันได้เสวยมาหลายพบหลายชาติค่อยผ่อนอาปานนั่นก็ดีโคกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อว่าการมมันนั่นเราอย่าทำเจยเราทำาคําดีต่อไปกรรมมันชั่วนะมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเกิดพบได้ชาติได้ก็ค่อย หมดไปหมดไปม่นเสวยกรรมแล้วค่อยหมดไปพระพุทธเจ้าได้เทศ่อนว่าอย่างเขาลักเขาขโมยของเของเราเขาช่อเขาปวงของเราอย่าไปทํากรรมต่อไปอีกให้คิดว่ากรรมเก่าของเราแล้วก็แล้วกันเมื่อไม่คิดอิจฉาเมื่อไม่คิดต่อบแทนเขาไมาสมดไปมันคิดตอบแทนเข้าสมดก็เพิ่มเขาอีกมันกล้จะหมดแล้วมาเพิ่มเขาอีก มันไในคิดตอบแทนต่อในทางพุทธศาสนามันยากเหมือนกันคนเรานั้นถ้าหาทำไมคิดโตตอบเขาเข้าใจว่าเขาเหยียดหยามหรือถูกเห็นว่าเป็นคนเลวสามไม่มีเขาคิดปัญญาที่จะโตตอบเขาครนนีน้นั่นแหละไอ้คิเรสตอนนั้นอ่ะมันคิดอยากจะตอบแทนโต้ตอ บ, ตอบ มันเลยหมดไม่เป็นเมื่อตอบแทนเราโต้ต่อเพาหมดไม่เป็นมันยากที่จะเชื่อกลามเจ็บผลดังการนี้ยากนะัากเงีการที่เห็นโทษแล้วการไม่ทำความชั่วอีกต่อไปนั้งสร้างความดีเรื่อยๆไปนั่นอะ่ะจะค่อยหมดค่อยถิ่นไปท่านพระพุทธเจ้าท่านเทศไอ้ท่าน เสวยวิบากมาตั้างเสียตรงไข่แสนกับแต่ท่านสร้างความดีเรื่อยมาตรงชั่วก็หายไปค่อยหมดไปหมดไปซึ่งฝา น, นั้นัเรานี่ไม่ตาบว่ามันกี่กลับกี่กัรมาแล้วเราทำความชั่วมามันจําเป็นจะต้องเสวยอยู่จํำเป็นจะต้องฉ น, นองกรรมก็อยู่เรื่อยไปถ้าหากมนุษย์ชาวโลก พฤติกรรมพูดของเราคิดชัดอย่างนี้แล้วจะพากันค่อยเบาบางลงไปกรคำจะค่อยพากันทํามาวางลงไปคนเราจะค่อยอยู่เป็นสุขสบายบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองโดยลําดับอหารคิดอย่างนี้คิดได้อย่างนี้เห็นจริงอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ แก่พุทธศาสนาการทางการรักษาพุทธศาสนานั้นถ้าหาไม่เข้มกรามแล้วก็จะทำกรรมเรื่อยไปออกรรมมันนั้นก็จะนำมาถึงความชั่วทุจริต ป, ปรพุติิตต่างๆหลายอย่างแล้วอาจารโดยเฉพาะชิ้นห้านี่แหละถ้าหากมีชิ้นห้าอยู่แล้วบัหมายบ้านเมืองที่บัญญัต ในมารานั้นๆก็จะค่อยหมดก็จะไม่ก็จะไม่มีกฎหมายอะไรแล้วเรื่องกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่รักษาที่หน้านี่เอาเทิดบัญญัติไปเถิดบัญยัตกฎหมายไปเท่าไรก็บัรยัตไปเถิดตัวต้นไม่งดเว้นคือลไม่รักษาสินอกอนั้นจะบัญยัต ตีกย่อยเราออกไปมากไปสักไซส์เรมากไปสึไม่มีที่สินที่สุดเห็นนั้นใชงว่าชิ้นห้าเป็นข้อสำคัญที่สุดที่จะหมอเวียนจากกรรมคือความชั่วแลาวอธิบายกนนีละวันมีหลายอาจารย์สมัยเดืยนนี้น่ง อาจารย์หลายท่านหลายองค์สอน่อนาต่างๆเป็นคณะเป็นหมู่เป็นพวกขึ้นมาบรรดาพวกคณอาจารย์ต่างๆท่านชานาญในทางใดท่านก็สอนในทางนั้นอย่างท่านชานาญในเรื่องพุทโธเ ร, รื่องอนาปา่าสติท่านก็สอนพุทโธ อ, อนาป่าสติ หรือท่านทานาในยุบหนอป้องหนอท่านก่อนสอนในพิธีนั้นหรือสมารหังก็อันเดียวกันนะั่นอยากเข้าใจว่าคนละอย่างมันมี ม, มีต่างกันไม่ใช่แต่เพียงเท่นั้นคำถามมีถึงสี่สิบนอกจากนั้นอีกที่ท่านในบัญญัติไว้มีมากมายหลายอย่าง อย่างพระเป็นนั่งอยู่ในริมตักเห็นนอกอย่างกินปลาต้องเอามาเป็นอารมณ์น้องอย่างกินปลาน้องอย่างกินปลากรรมฐานอะไรน้องอย่างกินปลาท่านนั่นเนี่ยมันมันยอดอะไรนั้นมากมายเหลือเกินความเป็นจริงนั้นถ้าหากทบกับอารมณ์ของเราอันใดจิตมันแนว่วแนว่ลงอันเดียวตัวอารมณ์เดียวใช่ได้อย่างนั้นเนี่ย จิตไม่เป็นอารมณ์มันเดียวจะียนาได้กับเจตียนาเถิดอนาปานตัตจะตกรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญและสันเด็จพระโอทิาตเขามาบำเพ็ญเราก็อยากจะได้อย่างท่านเวลามาบำเพ็ญนั้นไม่เป็นสมรทิมันจิตไม่แน่วแน่มันก็ไม่เป็นประโยชน์คือกรรมฐานนั่น คำที่ว่าเอามาเป็นอารมณ์นั้นจิตมันกลั่วมันวุ่นวายอยู่อย่างลราพิจารณาความตายอย่างนี้เห็นชีวิตของเราเป็นของตายจริงๆอย่งจากเห็นของน้อยนิดเดียวชีวิตมันจะต้องตายแน่นอนความที่เห็นว่ามันจะต้องตายมันก็ต้องละสิ่งหวงมด ความคิดความอ่านมันก็ไม่นี้ถ้าเห็นควานตายเพ็นอะไจริงๆนะจังก็ไม่มีกวาคิดมันเข้ามาอยู่อันเดียวมันเข้ามาอยู่เดียวไม่ใชใดๆแต่ว่าไม่อยู่อันเดียวแล้วนั่นอนาปาสสติหรือว่ามารณาสติก็เอาหรือพุทโธก็เอาสมาธิหันหรือ ยกนอกน้อฟนอ้๊ไปข้างอย่าไปเอาดันไม่ใช่ของเอานะดนนันเป็นเครื่องล่อเป็นเหยื่ออ่อยเหยื่อล่อให้เข้ามาให้เข้ามาหาจุดเดียวคือเข้ามาหาจิตอันเดียวนั่นเองเข้ามาหาสู่จุดอันเดียวนั่นเองนั่นเองท่านถ้าหากไปเอานั้นมันก็ไม่รวมสักทีพระพุทธเจ้าดันเทศนา สิ่งในความมดหมายความว่าให้ละให้ทิ้งให้ถอนอันนี้จะไปเอายัางไม่ทิ้งไม่ถอนมันก็ใช้ไม่ได้เห็นสิ่งดังสงเจ็เพลินพุ่มหลงอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ถอนคือความอุปทานคือมันยึดมันในสิ่งนั้นนั้นปล่อยวางว่างมดทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ในความว่างก็ไม่ถืออย่างพระ อ, องค์เทศไทยสันติธรรมะมัตเชเวโนก็เหตุสติสิท่ากลางก็ไม่ถื อ, อยังบุพเทตังวิโสเสหิตข้างหน้าเขาจะไปถือปัชเตมาหกินชนา ทั้งหลังก็มีกังวลเกี่ยวกับคืออดีตอนาคตอันเด็ดเกพรเชตเตมจินจนาแม้แต่ทั้งต่างก็ไว่ถือเอาไม่ให้ถือเอาทั้งหมดแต่มีความรู้ตัวอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านัน้นนั้นเป็นอดีตทานั้นเป็นอนาคตท่า น, นั้นเป็นปัจจุบันให้รู้ตัวอยู่ ท่านสอนอย่างนถ้าไม่สอนเอาให้สอนทิ้งการทิ้งนั้นเรามีชีวิตอยู่เขาจะทิ้งได้อย่างไงมันก็ต้องมีอารมณ์นี่ละจิมีชีวิตอยู่แต่ว่าความรู้เท่ารู้เรื่องของมันนั้นไม่ยึดไม่ถือเนะั่นเป็นของดีมากของไม่มีไม่ ในของไม่มีไม่ได้นั่นของนี้เป็นของมีอยู่อยายตนะทั้งหลายตาหูจมูกร่างกายเป็นตัวมันต้องมีสัมผัสสัมผัสันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์มันมีอารมณ์แล้วก็ต้องพิจารณาอารมณ์นั่นแหละเห็นโทษของอารมณ์เห็นโทษเห็นภัยของอารมณ์้อนอารมณ์นั้น ไม่เข้าไปยึดเมื่อไม่เข้าไปยึดมันจะมีโยตามเรื่องแต่ควรไม่ยึดเนี่ยนะเป็นของจําผัดอันนั้นเป็นของทํายากของไม่มีไม่ยากไม่ไม่ไม่ไมไมยากอะไรหรอกอันนี้จะเรียกว่าคำฐานพูดในน้อยก็นี่จะก่อนวันนี้เอานั่งต่อนาน ้องตั้งใจทำความสงบได้เคยที่ไปให้ฟังว่าใจในจิตจิตนั้นพึ่งไม่ได้ใจนั้นยังค่อยพึ่งได้จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสยัยสำหรับเป็นผู้หาสเสบียง คือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมต่างๆมันเกิดจากจิตจิต ใ, ใจนั้นมันเฉยเฉยมันเข้าถึงความสงบไม่มีอะไรละเข้าถึงความสงบแลบบเฉยจะหัดให้เข้าถึงความสงบให้มันได้ในเมื่อเราไม่เหตุมีการ มีเรื่องมีราวเข้ามาจะ ต, ต้องรีบเข้าไปหาของสงบคือพึ่งแม่คือลูกไก่พึ่งแม่นั่นเองหรือเหมือนกับอันแย่ที่อยู่ในลานวัดของเราเนี่ยน่ะมันวิ่งเข้าในรูคุณรักษาเขาสงบอยูยชั่วคราวต้องอาศัยยังไงจะก่อน ใจเป็นของกลางไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของกลางาวางใจเป็นกลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ลงางกลางนะนี่ไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยทำให้สบายสบายไป ไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องใส่อะไรทั้งหมดเย็นต้องไปสบายสบายให้จับปัตจนั้นได้ก่อนจับปัตจนั้นได้แล้วก็เข้าน้อมเข้าไปถึงความสุขความสงบให้อยู่ได้นานแสนนานยิ่งการดียิ่งเป็นการดีมันอยู่ไปแล้วมันหากัรวมลงไปดอง มันเนี่ยาฉันรวมตีแรกเนี่ยถ้ามันอยู่ที่เฉยแค่ก่อนทมให้นานนานนะเขามันรวมลงไปเองรวมเข้าไปถึงขมเป็นกลางของเก่าแต่มันลึกซึ้งเข้าไปของเก่ามันละเอียดไปของเก่าอยู่ได้นานขอเก่าและไม่ต้องรักษา รายการชนแนลไม่ต้องรักษาต่อไปแล้วถ้าหากมีเรื่องมีราวได้เกิดขึ้นมามันออกออกมาประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้น่ะคนสงบตรงนั้นนะเห็นว่าคนสงบมันชานี่ชํานานเถอะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าที่จิตมันจะสงสยัย มันตรงสายมามากมายก่อนเพื่อที่จะคานานานับจนนั้นเป็นนิสัยมันชินใชเจนนั้นมีขอบคิดมันจึงยากที่จะเข้าถึงความสงบได้เมื่อเข้าถึงความสงบแล้ว มันออกมาเองหลอวนั้นจิตอันนั้นคือมันนิสัยมันเป็นนิสัยธันมดาของจิตแล้วมันอยู่เฉยไม่เป็นมันยังออกมาเองมาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆคิดโน่นตรงนี้อะไรต่างๆเราจะต้องเอาความสงบนันเนี่ยไปจับอีกที อันนี้มันไม่ใช่ของไม่ใช่ของเรามันทรงสายแต่มาไม่ใช่ของเราเราต้องเอาความสงบมาเนี่ยเอาความสงบไปจับกับความทรงสายนั่นดีแล้วก็ถอนมันเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกันมันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิ้นที่สุดเราฝึกหัดอบรมกับอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไป หลบลมมาเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกมาถอนมาทรงใส่ตามเรื่องทํามราวถ้าเข้าวความสงบคือพิจารณาเลือกเส้นให้มันได้จริงสงบเป็ น, ย, นยังไงอันเชี่ยงทรงใส่เป็นยังไงแล้วเลือกเส้นเอาสิ่งที่เราต้องการจนมันชัำนี้ชํนานาญไม่มีการตื่นเช็นแล้ครับ มันจะสงสัยอะไรเป็นไรมันจะสงบก่อเป็นไรมันแคอยู่สิมนความสงสัยแล้วก็ไม่ยังสงสัยถ้ามันจะงบก็ตื่นเต้นท่านนั่นแ่ละมันไม่ได้หลักไม่ถึงควาสงบสักทีถ้าอยากสงบมันก็หมายเป็นสงบมันก็หม่ยสงบใช่มันพอสงบแล้วก็ตื่นเต้นมันงสงสัยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนนู่่นไว้ อยากให้ได้ความสงบความไม่ชำนี่ชำนานนะ่ความที่ไม่รู้เรื่องของมันจะยังค่อยเดือดร้อนอย่างนั้ตลอดเวลาทำอย่างนี้ให้ชำนี่ชำนานแนละ้มันจะอยู่ทีเอาขอวาวนาะให้เชื่อมันในทุก ทุกนี่แหละพระพุทธเจ้าจะเสเดินมาผ่นนิพพานกับผู้ก่อทุกนี่แหละทุกเป็นของจริงให้พิจารณาแน่ว แ, แน่เต็มที่ถ้ามันตรงเต็มที่ไม่ต้องไปจริงอื่นไม่ต้องพิจารณาจริงอื่นพิจารณาเรื่องทุกในตัวของเราเจ็บแขงเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาปวดท้องปวดใส่ เอาไว้จะว่าทุกชส้นส่วนเกิดขึ้นมาแล้วจะทุกทั้งหมดแม่แต่เส้นผมเส้นหนึ่งก็เป็นทุกข์มีการเจ็บมีการปวดทำไมยังต้องทุกข์อย่างนั้นเพราะประสาทความรู้สึกไม่มีอยู่ทั่วไป ในตัวของเราเนี่เป็นทุกข์ทั้งหมดคิดทัานว่าทุกข์ในนลระละกในวีชีไม่มีสว่างเวนถ้าพูดทั้งเรื่องตัวของเราแล้วมันมีทุกข์ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกส่วน ช่วเราก็อาจจะเป็นนรกก็ได้ทุกในลกนี้ขนาดไหนขอให้มันเป็มจะเต็มที่ใช่เราจะรู้จักทุกในนรกื่อมันทุกขนาดนี้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สุขขานสุขก็คือมัวเมาในทุกต่งางๆา อคได้จริงแล้วมันทุกตลอดเวลาแม้แต่นอนหลับมันก็ยังเป็นทุกอยู่ไปลองดูที่คนนอนหลับนอนนานแล้วทิ้งไปทิกว่กมามันทุกโดยที่เราไม่รู้สึกเลยมันขิ้นไปขิ้นมาอยู่ในนั้นแหละมันเปลี่ยนมันทุกมันก็ขิ้งไปคิกมา เมื่อเราพิจารณาเอานี่เป็นอารมณ์ไม่เห็นทุกข์ในนรกตัวของเรานี้มดทั้งตัวเลยเป็นนรกคนใดยินดีในองทุกข์ก็ได้เรียกว่ายินดีในนรกถ้าคนไหนเบื่อหน่ายในโทษทุกข์จะละปล่อยวาง ไม่เข้าไปยึดันจิตทอนอจากทุกข์จิตไปตั้งอยู่หนึ่งต่างหากไม่ยึดทุกข์เป็นอารมณ์ทุกข์จะไม่ปรากฏในจิตของคุณนั้นคุณนั้นจะพ้นจากทุกข์ได้